ความทุกข์ทามีแต่ละคนอยู่กันคนละหนหนละแห่งปอามาเป็นเครื่องสะดุดใจอะไรมากนะแต่ถ้ารวมมันเข้ารวมกันเข้ารวมมันเข้ากลายเป็นสังคมแห่งทุกข์กลายเป็นครัวเรือนแห่งกองทุกข์ กลายเป็นบ้านแห่งกองทุกเมื อ, องแห่งกองทุกในเมืองเต็มไปด้วยกองทุกอย่างเห็นประจักษ์แล้วขย้ายออกไปจนกระทั่งถึงประเทศทั้งประเทศเป็นกองทุกโลกเป็นกองทุกเป็นแบบเดียวกันนี้เป็นยังไงนะใครอยากจะอยู่แล้วในโลกกลางแห่งกองทุกถึงเมื่อรวมมันเข้ามันออเป็นพลังอันหนึ่งที่จะให้เกิดความสะดุดภายในจิตใจ ถ้าโดยลําพังต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทุกข์ไม่ค่อยมองเห็นกันแล้วไม่ค่อยได้ยินเสียงร้องรครวญครางอะไรมากนะักมันก็เป็นอีกอย่างเรากล้าเข้าไปสู่โรงพยาบาลกับเราอยู่ตามปกติก็เป็นอีกอย่างถ้าเห็นคนไข้ยอยู่ในที่ทต่างๆเรากล้าเข้าไปสู่โรงพยาบาลมันผิดกันไม่น้อยคนที่เข้าไปในโรงพยาบาล ส่วนมากม่แต่ค น, คนทุกข์ทุกทางร่างกายทุกทางจิตใจัระดับคนไข้ก็ทุกทั้งทางร่างกายและ จ, จิตใจผู้เกี่ยวข้องก็ทุกทาง จ, จิตใจคนไปเยี่ยมคนไข้ก็เป็นส่วนมากก็เป็นคนทุกข์ทางด้าน จ, จิตใจเดินเข้าไปมากน้อยห้องไหนห้องไหนมีแต่ห้องคนทุกห้องคนจนกรอกจนมึน อุปยี่ย่เหมือน ย, ย่คนจนกรอบจนมงมตนเองก็เลยกลายเป็นคนจนกรอบอับเฉาทางด้านจิตใจไปด้วยอนอกจากนั้นก็ยังห้องหนึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลก็เป็นสถานที่เก็บศพคนเป็นสถานที่ตายของคนด้วยไม่ใช่แต่เป็นสถานที่รักษาที่หายโรคจากโรคแล้วออกมาโดยถ่ายเดียวทนมาไหวมันจุดกำลังของหมอของยาแล้วมันก็ต้องตายอยู่ในห้องนั้นๆน่น แต่และห้องละห้องมันก็เป็นห้องของคนตายหรือเป็นป่าช้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้คิดกันถ้าคิดไปชอกแทรกอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้มีสติปัญญาเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาโดยลํำดับแม่ที่สุดเข้าไปในเตาไฟครัวไฟแล้วเท่านั้นเราก็าพอโปรง่งในจางทุกขังหน้าตาได้แล้วซึ่งเป็นป่าช้าของจัดเต็มไปหมดไม่ทราบว่าเผากันมาทั้งแต่เมื่อไหร แล้วถือว่าเป็นอาหารที่ไม่เคยสะดุดใจว่าสถานที่นั่นคือป่าช้าการต้มการแกงอะไรเป็นเนื้ออะไรก็ตามทื่ว่าสัตว์แล้วมันก็เป็นเรื่องป่าช้าทั้งนั้นเราถือเป็นอาหารก็ไม่ค่ยได้คิดและไม่ได้คิดว่าสถานที่นั่นเป็นป่าช้ามัน มีที่แง่ความรู้สึกเท่านั้นถ้าความรู้สึกคิดไปในแง่ใดผลมันก็ตามตามกันไปถ้าเกิดความขายะแขยงเกิดความน่ากลัวเกิดความกล้าข่ามขานเกิดความดีใจเสียใจขึ้นมาจากแน่ความรู้สึกของตนพระพุทธเจา้าท่านจึงสอนมาให้มีความประมาท นังวันนี้ที่ไปแจกสิ่งของเขาพอเห็นคณะเราไปเท่านั้นน่ะหลังไหลกึ้นออกมาตาจดจ้องมองเป็นลักษณะแห่งความหิวความกระหายกับความเจรสมบังไปงพร้อมๆกันเล้วเวลาแจกสิ่งของก็อโอ้หน้านเรน้าสงสงเวหน้าสงสารหน้าสูง ส, ง, าสงส า, า, สงสานะมาก วิเดียวไม่ทราบออกมาจากทิศไหนแดนในทุกทิศทุ ก, ท, ก, ท, ก, ท, กทางเต็มไปหมดสนามกว้างกว้างจนจะหาที่เดินไม่ได้นี่ก็คือพวกที่ได้รับความทุกข์ความลําบากเมื่อมีผู้ใดจะไปะห้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ก็มีความหวังขึ้นมาภายในปิตใจทนอยู่ไม่ได้จะต้องออกมาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมด ในสถานที่นั้นเงินได้ไปแล้วก็เป็นเครื่องบรรเทาเงินได้ไปก็เกิดความดีอกดีใจเพราะสมหวังเป็นเครื่องบรรเทาทุกซึ่งคืนนี้จะความหนาวแม้จะหนาวอยู่ตามปกติแต่ความอบอุ่นคนรู้สึกจะดีขึ้นกว่าทุกๆวันที่ไม่มีผ้าหม่มอาหารการกินก็เหมือนกันเช่นกําลังขาดเคลนอยู่แล้วหรือกาลังหมด วันนี้อาหารก็เข้าไปถึงพอดีก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไว้นในรับความปลุกความเบาใจเย็นใจความปีติยินดีย่อมเกิดขึ้นเพราะการแจกของมาใช้น้อยแจกมากมาย ก, ก่ายกองคนที่มานั่นก็รู้สึกผสมบังด้วยกันทุกครอบครัวใครเล่าจะไม่ดีใจนี่คืการทำบุญคือการให้ทานเห็นผลประจักษ์อย่างนี้ หลุดออกจากมือของเราด้วยการเสียสละโดยเจตนานบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไปอยู่ในมืออีกคนนึคืออยู่ในออกจากมือของคนผู้ให้เข้าไปอยู่ในมือของคนผู้รับนะผู้ให้ก็มีความดีอกดีใจผู้รับก็มีความดีอกดีใจดังลายเป็นถึงอำนาจตาล่วงเราที่มองเห็นแล้วนี่แหละอำนาจแห่งการสงเคราะห์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากทางด้านจิตใจเป็นสําคัญความปิีดียินดีจะเกิดขึ้นมากเป็นไรบางรายจะต้องเกิดขึ้นมากมายบางรายก็เกิดขึ้นเฉพาะว่าวันนี้ได้มีความสะดวกสบายได้อาหารหรือได้ผ่านห่มมาห่มวั น, มม น, นี้บางคนจะต้องคิดถึงเจ้าของขั้วมาให้เพราะคนเรามีความลึกตื้นนะบางต่างกัน แต่ยังไงก็ตามสรุปแล้วผู้รับเลมีความภาคภูมิใจผู้ให้ก็มีความภาคภูมิใจภาคภูมิใจ้วยการให้ภาคภูมิใจ้วยการรับนะเรื่องของทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าแต่การไหนการใดมาคําว่าทานคือการให้การเสียสละเพื่อผู้อื่นนี่เป็นของมีมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหน ว่างดการให้ทานนี่เสียการเสียสละเพื่อกันกันนี้เสียโลกก็เป็นโลกไปไม่ได้เพราะสัตว์เขาก็ทําต่อกันเช่นเดียวกับมนุษย์เราเขายังให้กันเหมือนกันพ่อแม่ของสัตว์เขให้ลูกเขาเลี้ยงลูกเขาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็กินด้วยกันเช่นมดง่ามเป็นต้นต่างตัวต่างขนมดง่ามมดลินอะไรเขาขนไปไว้ในรูแล้วเขาก็กิน ด้วยกันมนุษย์เราก็อยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมเหยื่อเนื่องกันมากน้อยเพียงไรก็มีความเสียสละต่อกันนับตั้งแต่พ่อแม่กับลูกลงไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงส่วนรวมหรือส่วนใหญ่เป็นไปด้วยทฐฐานทั้งนั้นชีวิตจิตใจความเป็นอยู่เหยื่อเนื่องถึงความพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกั น, นเรียกว่าความเสียสละต่อกันองค์พระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ครั้งบําเพ็ญพระวารามี เพื่อโภธิสมานก็ทรงบำเพ็ญทานมาโดยลำดับจนกระชอนกิติสัตจกิติคุณของพระองค์นี้เวลามาตัดสลูกเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปที่ไหนก็มีแต่คนสักการะ บ, บูชาทามาให้ทานแม้ถิวบุคควาดาก็เช่นเดียวกันไปที่ไหนมีนี่ของทิพย์ที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องขอไม่ต้องร้องไม่ต้องขอร้องก็ยไม่ต้อง ต้องขอจากใครๆใครก็มีความเชื่อความนงมสอยากจะให้ทั้งนั้นมาถวายพระองค์จนกระทั่งมีพระสงฆ์ได้สนทนากันในธรรมสภาหรือี่ที่ชุมนมุมกันว่าที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปในฐานที่ใดมีแต่คนเคารพนับถือมีแต่คนทำบุญให้ทาน เกินไปหมดด้วยวัตถุทยทานเพราะอํานาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์พระองค์ทรงทราบความรับสั่งคัดค้าน ท, าทันทีไม่ใช่เป็นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเราแต่เป็นเพราะอํานาจแห่งทานของเราที่จะทํามาโดยลําดับลาดับต่างหากแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมาจากความดีมีทานเป็นต้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาเอาเฉยๆมีฤทธิ์มีเดชด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าอเหลือเท่านั้น แม้แต่ความเป็นวิตถเจ้ายังต้องอาศัยองค์งามความดีทั้งหลายมีทานอมรมีเป็นต้นจึงได้เป็นวิตถเจ้าขึ้นมาทนานไหวอย่างนั้ น, นการให้ทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นดูมากมายสำหรับโลกที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นคณะนอกจากนั้นยังเป็นอุปนิสัยติดตามผู้มีนิสัยเช่นนั้นอีกด้วย คนที่เคยชอบให้ทานไปไหนมีแต่แต่อยากให้ทานเรื่อยๆเป็นนิสัยฝังอยู่ภาในจิตใจยิ่งมีคนแนะนำส อ, สอนหรืออบรมให้รู้เรื่องรู้รายแล้วก็ยิ่งเพิ่มนิสัยนั้นให้มากมุ่นขึ้นไปเลยกลายเป็นนักเสียสละนอกจากนั้นแล้วไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามผู้นั้นไม่อดากขาดแคลนเพราะอหนาแห่งทานที่ตนได้ทาไว้แล้วตั้งแต่บุพเพชาต เป็นเครื่องสนับสนุงยกตัวอย่างเช่นพระสิวะลีเป็นต้นท่านไปในฐานที่ใดมีแต่คนถวายวัดเทวตู ป, ปจจัยเทวทานเต็มไปหมดตามถนนคนทางตามบ้านตามเมืองท่านไปที่ไหนเต็มหมดรองพระพุทธเจ้าลงมาสาวกองค์ที่หนึ่งในเรื่องอติยการามากก็คือพระโมคคันก็คือพระศิวลีเมือ่อดิดอาการของท่านก็ท่านเป็นนักเสียสลาย ครที่ไหนมีแต่การให้ทานทั้งนั้นทานอย่างไม่อัดไม่อัน้นทานด้วยตามนิสัยจริงๆจะอดจะอยากจะขาดจะเคลนร์หรือจะมั่งมีที่สุขขนาดไหนก็ไม่เคยลดละในการให้ทานขอแต่มีพอได้ให้ทานเป็นให้ทานเนี่ยมีเป็นนิสัยมาโดลยลำพับเพราะฉะนั้นเลาวาราสุดท้ายที่ท่านมาบรรลุธรรมเป็นสาวก ข, ของพระพุทธเจา้าแล้วจึงเป็นผู้เลิศ ในเรื่องอัติเดกลาฟไม่มีองค์ใดองค์ใดเสมอเหมือนยกพระพุทธเจ้าเสียเท่านั้นีน่เป็นอุปนิสัยของท่านบรรดาพระทะสาวกิ่เป็นพระหันด้วยกันจึงมีเอตระคะคือความเลอต่างกันไม่คว่าจะซ้ำกันเนื่องจากจรจดิตนิสัยที่มีความหนักแน่นในแง่ต่างต่างแห่งความดีทั้งหลายนั้นต่างกัน บางองค์สำเร็จเป็นประหันต์แล้วไม่มีคนเคารพนับถือไม่มีเอติเรกขล่าก็เยอะแต่ท่านดีในทางอื่นซึ่งเป็นความดีเช่นเดียวกันยิ่งเป็นเครื่องสนับสนุนให้ท่านถึงความพ้นทุกข์แต่สิ่งที่ทด้อยก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่แม้ถึงความเป็นประหรหันต์แล้วสิ่งที่ด้อยก็คือไม่มีคน ถวายจะตุปปัจจัยเทวานมากสมความเป็นพระอรหันต์ของท่ากนก็มีมีเพราะอุปนิสัยที่เคยสร้างมาต่างกันคำว่าอุปนิสัยเป็นสิ่งที่ฝังแนบอยู่ภายจในจิตใจทำจนเกิดเป็นความเคยชินภายในจิตใจ ไม่มีใครบอกก็เป็นความถนัดใจเป็นความอยากทำไปเองนั่นทันยศมันเป็นเป็นอุปนิสัยแล้วหรือเป็นปนิสัยแล้ววันนี้พูดถึงเรื่องกองทุกข์กนในเบื้องต้นอยู่กองทุกข์มีอยู่แต่ละรายละลายถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกกันไปก็ไม่สู้ทาย ถ้ามารวมกันจํานวนมากเข้าก็ยิ่งเป็นความสุดสังเวยียนมากขึ้นไม่ทั้งกลายเป็นเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างกองทุกไปด้วยกานเสียสินแล้วก็โลกนี้ไม่มีใครต้องการจะมาอยู่จะมาอยู่ทําไมมีตั้งแต่กองทุกนี้เราประมวลเข้ามาหาตัวของเรากองทุกมันมีอยู่ตลอดเวลาเราต้องการอะไรเพื่อขันอันนี้ ขั้นนี้ก็มีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นถ้าผู้จะทําให้ตัวให้พ้นไปเยอะจากกองทุกข์ไม่มีความเย่อหยิ่ในอันใดเลยโดยเห็นความทุกข์เป็นภัยต่อตนอย่างยิ่งแล้วผู้นั้นก็เร่งความภาคเพียรอย่างอะไรอะไก็หนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงความภาคเพียรมมากความมุสาพยายามความอดความทนก็มากไปตามกันเพราะความอยากพ้น สติปัญญาก็พยายามหาอุบายคิดค้นที่จะให้ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับลำดับถ้าเป็นความนอนใจแล้วนันไม่เป็นอย่างนั้นเขามีความสุขบ้างเล็กน้อยก่อนนอนใจไปเสียเช่นเดียวกคนไม่มีความฉลาดหาเงินมาได้บาทสองบาทก่อจะพยายามเก็บหอมนอมบิบก็ไม่ซื้ออะไรเพลินไป จำเป็นไม่จำเป็นก็ไม่สนใจขอแต่ให้ได้ซื้อจนกลายเป็นนิสัยอย่างการซื้อการจับจ่ายโดยไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลถึงความจำเป็นในเวลาจนกรอกจนมุมมาก็หาทางไปไม่ได้เหมือนกันมีคนคิดเห็นเฉพาะโสดสร้อนๆไม่คิดคาดการไกลคือไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ปุธิชาติติปัญญาก็ ส่วนที่จ่ายก็จ่ายไปด้วยความจําเป็นจ่ายกับสิ่ใดก็เห็นความจำเป็นในจริงนั้นได้เป็นผลเ ป, นเป็นประโยชน์จากความจ่ายของตอนจริงๆถ้าสิ่งที่เก็บไว้เพื่อความจําเป็นในการต่อไปก็เก็บไว้เนี่ยคนนี้เที่ยวเป็นผู้มีปัญญาเรื่องทรัพย์ภายนอกที่นี่เรื่องการพยายามสั่งสมาภายในก็เป็นอีกเช่นเดียวกันเราอยู่ในโลกนี้เราพอเป็นพอไปแในธานในขันไม่อุจาขาดแคลนบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยปัจจัย ที่เกี่ยวกับส่วนร่างกายจะต้องอาศัยก็มีพอเป็นพอไปมีปัจจัยส่วนภายในคืออริยสัพคือสัพพิทิ่พ้นจากค่าศึกโดยประการทั้งปวงนั้นได้แก่บุญแก่กุศลไม่มีใครจะมาแย่งชิงหรือจบชิงวิ่งลาวไปได้อันนี้มีมากน้อยเพียงไรผู้มีสติปัญญาต้องไขวน่นต้องพิจิตรเจาและสังสมหรือบูชาบาเพ็ญ ทั้งทรัพย์ภายในทั้งทรัพย์ภายนอกให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอกันผู้นี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเวลายังมีชีวิตอยู่ก็อาศัยสิ่งนี้เกี่ยวกับวัตถุมีความเย็นอกเย็นใจเพราะความดีตนก็ได้สร้างไว้แล้วด้ว ย, เ, ยเวลาพักพรากจากทางด้านวัตถุมีร่างกายของเราเป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของตนส่วนสำคัญตนแล้วเราก็ได้อาศัยสมบัติภายในคือบุญกุศลที่สร้างไว้แล้วนั้นไปเป็นต้นทุนเพื่อจะก่อกำเนิดเกิดในสถานที่ดีคติที่งามสมกับ ว, ว่าบุญเป็นเครื่องสนับสนุนจาบุคลบคลผู้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีตามหลักธรรมทกล่าวไว้ว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมะใจ พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติทันไม้ตกไปที่ชั่วนัะอะไรคําว่าที่ชั่วก็ที่ไม่พึงปรารถนา น, น, นั่นแหละที่พึงปรารถนานี้อะไรเป็นใจให้ไปเกิดก็คือความชั่วนั่นเองพาให้ไปเกิดเมื่อเราทราบไว้อย่างนี้เราก็พยายามบําเพ็ญความดีเพื่อจะไปสู่สถานที่ดีได้รับสิ่งที่สมหวังแล้วก็สร้างภายในจิตใจของเรามาให้มีความประมาท วันคืนปีเดือนอา้าล่วงไปล่วงไปความดีของเราก็ให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอความสําคัญอยู่กับตัวของเราไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนเราต้องถือตัวเราเป็นสําคัญจะรักษาอย่างไรตัวของเราจึงจะมีความเพียรลพืปลอดภัยมีความเย็นอกเย็นใจด้วยความดีทั้งหลายแล้วก็พยายามสร้างให้พอกับความต้องการหรือเต็มความสามารถของเราที่จะเป็นไปได้ ตันี้คือเอ็นผู้ถากถางคนทางทางั้งปัจจุบันและอนาคตให้ตนไม่สร้างขวากสร้างนามไม่ปากเสียดตนเองตัวนี้ก็มีความรื่นเริงอิทนานันติอยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่นเริงบันเทิงเปจนอนานตัติและโลกนี้ไปแล้วก็มีความรื่นเริงและรื่นเริงในโลกทั้งสองโลกนี้และโลกหนาเป็นสิ่งที่ผูู้นัณน จะพึมได้ับตั้งแต่สิ่งที่พึงพอใจเพราะอำนาจแห่งบุญที่ตนได้สร้างไว้แล้วเนี่ยนักปราชญ์ทั้งหลายท่านสร้างแต่ความดีอย่างนี้ท่านจึงเจอแต่ความดีได้แต่สิ่งที่ดีมาแจกจ่ายพวกเราเช่นพระพุทธเจ้าเป็นตนน้นท่านหาของดีท่านได้ของดีแล้วก็มาแจกสารโลกจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่จบไม่สิน้นยังไม่หมดไปเลยคือโอวาทที่ออกมาจากธรรมของจิง ทคำสอนคำแน่นอนถูกต้องกับเหตุกับผลถูกต้องตามจุดความจริงหรือหลักความจริงเราถ้าจะพูดกันหนึ่งก็เหมือนกับคนหูหนวกตาบอดทําไห้เชื่อคนหูดีตาดีคนฉลาดเราก็จะไปเชื่อใครความโง่มก็กองในตัวของเรานี่เต็มไปหมดในหัวใจความมืดบอดก็เต็มในภายในหัวใจทิศทางจะไปไม่ทราบจะไปทางไหน อยู่ไปวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปแต่ความโง่มันไม่ล่วงไปถ้าไม่แก้มันนั้นจึงต้องแก้ความโง่เขลาเบาปัญญาอันเป็นความมืดบอดนี้ออกให้จิตใจงเรามีความสว่างสวัยเชื่อพระพุทธเจ้าภู ม, มีทั้งตาในตานอกมีทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งภายนอกภายในตามหลักธรรมที่ว่าพุทธทางสนนังกชามให้ถึงใจฝากเป็นฝากตายกับท่าน ทำมังสะนงกระฉามิเป็นทำมันประเสริฐเดินโลกจะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการปูะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหลเป็นทางที่จะก้าวเข้าสู่ทำมันเกษมนี่สังฆังสะนงกระฉามิีท่านเดินหน้าเราเราเดินตามหลังท่านไปเดินลำดับท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่พ้นทุกข์ไปแล้วตามเด็จพระพุทธเจ้าท่านเราก็ตาม รอยทั้งของท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติดีอยู่ที่ไหนห้มีธรรมภายในใจคนที่มีธรรมภายในใจกิเลสก็กลัวไม่ใช่กิเลส จ, จะไม่กลัวกิเลสมันมีทั้งกล้าทั้งกลัวอยู่กับตัวของมันเช่นมีอยู่ในใจของเราเราก็ต้องมีความกล้าความกลัวเป็นธรรมดาทำอันหมดกิเลสแล้วเป็นแล้วความกล้าก็มีความกลั ว, วก็วว ม, มีมีแต่ความเสมอภาค มีแต่ความสม่ำเสมอความคงเส้นคงวาคงที่มีงามวิงนั้นตลอดไปนี่ไม่ใช่กิเลสเป็นางานพยายามบีกเหล่อขวนขวายลมหายใจหมดไปทุกวินาทีถึงหายใจเข้าหายใจออกดีเหมือนไม่หมดก็ตามแต่มันหมดไปนในหลักธรรมชาติของมันทีเล็กและน้อยโดยลําดับแล้วเอากลับกืนมาไม่ได้และเมื่อ หมดไปหมดไป ม, มันก็ถึงที่สิ้นสุดหมดเอาเสียจริงๆเป็นไม่มีอะไรเหลือน่นมือไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วถ้าจะเรียบว่าอะไรก็เรียกว่าคนตายให้มันตายตั้งแต่ร่างกายจิตใจอยากให้มันตายจากคุณงามความดีให้เกาะคุณงามความดีนี้ไปสาระสำคัญก็คือใจเป็นมหาสมบัติพยายามบํารุง พยายามลื้อฟืน้นขึ้นมาให้เด่นดวงภายในจิตเนี่ยทา่านบอกสมบัติอันประเสริฐคือใจสมบัติเหล่านั้นก็เป็นภายนอกพอได้อาศัยเป็นธรรมดาไม่ได้ประมาทเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยสมบัติภายนอกนั่นแนหะเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมร่างกายของเราให้จเจริญเติบโตขึ้นมาแเวลาสุดท้ายก็ต้องอาศัยความความดีที่จะเป็นสาระสําคัญภายในจิตใจ จะไปต่างรากต่างฐานในภพชาติต่อไปหากกิเลสยังไม่สิน้นเมื่อกิเลสได้สิ้นไปแล้วเพราะความภาพยันอันถึงเหตุถึงผลถึงที่ถึงแดนอันนั้นก็หมดปัญหาไปกลายเป็นมหาสมบัติดังพระโพธิ เ, เจ้าท่านตัดสูุก็คือตัดสู้ถึงมหาสมบัติสาวกบรรลุก็บรรลุธรรมที่เป็นมหาสมบัติไม่ต้องมาวกมาเรียน เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกังหันเกิดแล้วตายแต่แล้วเกิดจนตัวเองก็นับไม่จบไม่สิ้นไม่สราบวาจะนับได้ยังไงเหมือนตามรอยวัวในข้อนั่นแหละรอยวัใยวในค้อมันเป็นยังไงมันวกมันเยินมันสับมันสนบุ้นไปหมดเดินไปที่ไหนมองไปงไหนมัมีแต่รอยวัวมันเต็มในข้อเพราะมันหยียบย่าไปมาจนแหลกไปหมดเคยสับรอยไหนรอยออกรอยไหนรอยเข่าพอมอยู่ในข้อนี่นี่แหละความเกิด ความตายมันซ้ำท่ำสักๆกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งตัวเองก็ไม่ทราบนี่แล้วคำว่าความเกิดความตายมันก็เป็นเรื่องความทุกข์มาพร้อมๆกันเมื่อตัดสาเหตุอย่างความเกิดความตาย้แล้วความทำท่ำความทำท่ำทำท่ำนั่นก็ไม่มีนี่เป็นเรื่องสุดท้าแห่งทุกข์แหงหากว่าเราจ ะ, จะเกิดในอันใด สถานที่ใดอยู่ตามร่วมคนมีกิเลสก็ให้มีธรรมให้มีความดีเป็นที่พึ่งพิงอาศัยจะไม่ร้อนเกินไปจะพอเป็นพอไปในพพชาติต่างๆความอุตสาห์พยายามความอดความทนนี่แหละเป็นสมบัติอันสาคัญหรือเป็นเครื่องมืออันสาคัญ ที่จะบุเบิกทางให้ถึงแดนแห่งความเกษมความ อ, อ่นแยมมีแต่เรื่องตัดรอนตัวเองเรื่ยลลำดับผลประโยชน์ที่หยุพึ่งจะได้ไม่มีอันจึงสอนใหน้ละเพราะความบ่นแยความขี้เกียจความมา่ง่ายมันเป็นเรื่องของจิเดชทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าเรื่องของธรรมแล้วก็ต้องตรงกันข้ามทีเดียว ทำพระเจ้าให้บทใดบันใดก็ดีมีแต่สอนให้มีความพินิษฐพิจารณาสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ขอแต่เหตุผลไปจุดนั้นไปสายนั้นเดินตามสายนั้นจะยากลําบากแท่ไหนก็ตามต้องพยายามทําไปโดยลำดับนั่นแหะทางของปราชญ์ท่านมีความสมบุกสมบันอย่างนั้นท่านาเห็นว่าร้อนนักหนาวนัก ขี้เกียจสายนักเช้านักดึกนักอะไรท่านไม่ได้ว่าง น, นั่นเป็นลักษณะของคนขี้เกียจเห็นว่าหาเรื่องนั้นถ้าจะไปในทางที่ดีจะทําของดีจะทําความดีมีแต่เรื่องแต่เราสร้างขึ้นมาให้เป็นขวาเป็นหนามกัน้นทางตัเเองไว้หมดหาทําไปไม่ได้สุดท้ายก็ น, นอนจมหนามนีม่นั่นแหละเนี่ยตอนจะนอนจมหนามไม่คิดนี่ เราแต่ความสบายแต่วความสะดวกสบายในปัจจุบันแต่เรื่องความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความสะดวกนี้ไม่ได้คำหนึงนัปรการท่านชาติสติปัญญาพิจารณาคาดหน้าคาดหลังให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน แ, แล้วท่านบุกเลยตายก็ตายคนทั้งโลกตายด้วยกันนั่นแหลสัตว์ทั้งโลกตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครจะยังเหลืออยู่แม้รายเดียวตายก็ขอให้ตายดี จะทำความเพียรก็ทำได้เวลามีชีวิตอย่างเนี้ยตายแล้วมันทำไม่ได้นะจะ แ, แก้ตัวก็แก้ในเวลามีชีวิตอย่างนี้ตายแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยเหตุผล ม, มันก็บอกอย่างนี้พยายามแก้นะแต่มันจนหมดแก้ทนหมดแล้วก็ ม, มีโทษกับพ้นจากโทษเหมือนนักโทษพ้นจากเรือนจาพ้นจากความเป็นนักโทษก็ก้าวไปสู่ความเป็นอิสระ จิต ใ, ใ, ใ, ใจที่พ้นจากโทษจากกรรมทั้งหลายภายในจิตใจแล้วก็กลายเป็นใจที่เป็นอิสระความเป็นอิสระอย่งเราอยู่เป็นอิสระนี่เราก็ยังสบายไม่มีใครมากดขีบข่บังคับเราใจิตใจที่มีอิสระก็ยิ่งพักสุขสบายยิ่งกว่านี้ร้อยเท่าพันทวีเป็นหาที่เทียบที่เปรียบไม่ได้อืใครจะต้องการเป็นบน่อยใครจะต้องการเป็นธาตของใครแต่เวลาเป็นธาตของกิเลส เราไม่ค่อยจะคำหนึง่งจินต้องติดอยู่ในหว ง, งกิเลสกิเลสจึงต้องบังคับบัญชาให้รับความทุกข์ความทรมานเพราะฉนั้นจึงเห็นกิเลสว่าเป็นข้าศึกแล้วต่อสู้กิเลสเพื่อจะเป็นอิสระตัวเองมาต่อสู้มาหยุดม่ถอนกิเลสจะมีมากน้อยเพียงไหรมันก็สลายตัวไปได้เพราะอํานาจแห่งการต่อสู้การต้านทานการทําลายแต่ก็กลายเป็นอิสระขึ้นมา ใจเป็นอิสระแลันอยู่ไหนมันก็สมายทั้งนั้นไม่มีอะไรจะสบายยิ่งกว่าความเป็นอิสระของใจศาสนธรรมตัานสอนถึงจุดนี้ตั้งแต่ต้ น, ตนๆมาโดยลำหนับลำหนักทว่ากว้างกว้างทำทว่าแคบก็ลงที่จุดแห่งใจนี้จุดเดียวผู้นี้เราเป็นผู้ที่จะรับทั้งดีทั้งชั่วทั้งการทําดีทําชั่วผลดีผลชั่วสุขทุกข์รวมอยู่ในใจนี้ทั้งหมด อันยังว่า ม, นมนโนปุพังคมาธรรมาทำเป็นใหญ่ทำเป็นประธานทำเป็นย้ำคันอยู่ที่ใจทั้งหมดไม่อยู่ที่อื่นใดนี่นแก้ลงที่ตรงนี้ให้ิใจมีความสว่างสวัยร่างกายเต็มไปด้วยกองทุกแต่ใจก็เต็มไปด้วยความสุขนี่ผิดกันร่างกายมืดตออื่ตามทาาอยากของมันแต่ใจสว่างกระจ่างแจ้งนตามท่แถถาแห่งธรรม จิตกายเป็นธรรมธาตุภายในใจถึงจะว่างงววธรรมธาตุคือจิตที่สว่างสไบภายในตัวแก้หรือถอดถอนมณฑินหรือละล้างมนทินทั้งหมดสว่างเต็มที่ครอบโลกธาตุมีจิตดวงนี้เท่านั้นที่มีอำนาจมากที่สุดครอบไปหมดโลกธาตุไม่เลยคำหนึงว่าใกล้ไกลเกินไปไม่อใกล้เกินไปพอดีอดยิ่ตลอดเวลา ด้วยความอ่อนความนิ่มนวลของจิตที่พ้นจากที่เลียนแล้วนิ่มจนหาที่พูดไม่ได้อ่อนจนหาที่พูดไม่ได้ครอบหมดโลกธกาตุสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ทั้งทางวานกลางคืนนั่นทั้งเรียกว่าอะโลกโกุตปลาลีความสว่างกระจ่างแจ้งได้เกิดขึ้นแล้วภายในจิตนี่หมดทั้งร่างของเราหมดทั้งโลกมารวมอยู่ที่ใจดงเดียวนี้เท่านั้น ไม่อยู่ที่อื่นใดสาระสำคัญอยู่ที่นี่นพยายามปบเปรื้องพยายามแก้ไขจุดนี้ให้ได้ตามกำลังความสามารถของเนกระทั่งสุดความสามารถผู้นั้นจะได้ครองสมบัติอันเป็นที่พึงพอใจผาอยู่ภายในจิตและครองมหาสมบัติ สิ่งที่พึงพอใจอย่างยิ่งด้วยความรู้สึกแห่งใจขอให้นำไปพินิจพิจรารณาการแสดงธรรมเพ่เห็นเหมาะสมควรเจเวลาอพอิติเพียงเท่านี้